ปัญญาเนปัลโลกสมิงปัติธาหนติปาตินันเตมกิเลนสุขพี่น้องญาติยมพี่น้องลูกหลานทุกคนวันนี้คุณดกเตอร์ชนะนันท์ท่าจู พร้อมครอบครัวได้จัดงานทาบุญเพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวและพี่น้องญาติยมชาวโพธมาร่วมอนุโมทนาจิจกรรมเนี้ เป็นมหามงคลที่ขาดไม่ได้พวกเราชาวพุทธถ้าเผื่อมีโอกาสมีเวลาให้พวกเราชาวพุทธเชื่อเถิดว่าการทำบุญจะมากจะน้อยการใดเวลาใดเป็นการเป็นเวลาที่เหมาะ เป็นการเป็นเวลาที่เป็นมงคลนมหามงคลนอย่างยิ่งกับชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราทุกคนมีนองญาติโยมทำมไมพระพุทธเจ้าจึงเทศนาจึงสอนเรื่องนี้โดยเฉพาะพวกเราเจ้าพุทธ ลองทบทวนที่พวกเราเคย <c oughs> สวดรมวัตในบทพุทธคุณที่ว่าสัตถาเทวามานุษย์สานังพุทธภควาติความหมายภาษาเราพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเองสอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย พระโตปินองญาติยอมปินองลูกหลานคำว่าพระพุทธเจ้าเป็นสาธดาเอกตรงเนี้ยให้พวกเราเข้าใจความหมายทำาไมเทวดาเป็น โเสเวยความเป็นเทพและกับมนุษย์เกิดขึ้นมาในโลกเรียกว่ามานุษย์สมบัติเทวดาเรียกว่าสวรรค์สมบัติลองทบทวนคำสอนของพระพุทธเจ้าตรงในเอกวาระหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสจโลก คำว่าตราตรู้ตราตรู้นะนะไม่ใช่รู้เรื่องอื่นเรื่องไกลนะพี่น้องญาติยอมพี่น้องลูกหลานสิ่งที่พง์รู้นะนะรู้ว่ามนุษย์ทั้งหลายเกิดมาได้ยังไงเทบดาเทวดาสเสวยความเป็นทเทพเสวยได้ยังไง อะไรพาไปเป็นเทบุเทเวดาเสยวยความปินเทบนั้นพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานอ้าวฟังให้มั่นใจเถอะอย่ามั่นใจธรรมดานะร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์ไปเลยทำไมยังแน้นยาหนักอย่างนี้ ที่พวกเราชาวพุทธเคยได้ยินได้ฟังเคยได้พูดว่าบุเมเจิงบาปเมเจิงนกรกเมเจิงสวรรค์เมเจิงถ้าใครยังสงสัยเอาฟังวันนี้หายสงสัยเถอะถ้าใครไม่สงสัย ฟัง ร, รมฟังเทศองลงปู่เขาใหญ่เทศในขณะเนี่ให้มีความทราบเสึงปีติยินดีเถอะทำไมยังแน้นหนักตรงเนี้พี่น้องญาติโยมลองทบทวนเอาทิจนาดูให้มันเห็นในความรู้สึกคำว่าบุญมีจเจงบาปมีจริง ไปดูที่ไหนไปรู้ที่ไหนอฟังเธอสรุปใจความลมาตรงเนี้บนเมจริงอย่าไปดูที่อื่นตัวพวกเราทุกคนนี่แหละตัวบุญหมายก็ว่าพวกเราทุกคนจะนั่งอยู่ที่นี่หรือไม่ใน้นั่งอยู่ที่นี่ บุญพามาเกิดเข้าใจไหมบุญพามาเกิดบุญพามาเกิดบุญคุ้มครองบุญปกป้องบุญรักษาเห็นได้ชัดเลยผู้เป็นพ่อเป็นแม่พู้เป็นแม่รู้ตัวเองว่าเออ เรากำลังมีลูกความสำานึกความรู้สึกของผู้เป็นแม่รักที่สุดว่าตัวเองมีลูกผู้เป็นพ่อก็รักที่สุดว่าตัวเองมีลูกท่นั้นความรักตรงนี้ละ่ะในชีวิตของมนุษย์คนเรา มีมาในทางที่ดีที่ถูกลูกค น, นาความรักในชีวิตนอกจากชีวิตตัวเองกับชีวิตของลูกรักที่สุดห่วงที่สุดหวงแหนที่สุดนี่คือความเป็นธรรมชาติเจงไม้ตรงนี้ฮะเจงไม้ ถ้าบางคนมีโูกมาในทางที่ผิดก็อย่างว่านั่นละ่ะที่พวกเราเคยดูข่าวฟังข่าวเคยเห็นอยู่นั่นละ่ะเขาไม่ได้เรียกว่าโูกนะเขาเรีย ก, า ก, นะายกามานหัวขนปาพี่น้องญาติยอมพี่น้องลูกหลานความเช็ดอย่างนี้ความเข้าใจอย่างนี้ สิ่งที่เกิดเป็นในชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเองลักษณะนั้นอันนี้แหละความผิดเกิดขึ้นเมื่อความผิดเกิดขึ้นจิตใจตรงนั้นอะ่ะก็เลยกลายเป็นความสำนึกความเป็นบาปเป็นมิจฉาทิฐิตรงนี้อย่า พี่น้องญาติยอมพี่น้องลูกหลาน <c oughs> พระพุทธเจ้าตราตรู้เรื่องนี้จึงในเมตตาสงสารสงสารเทวดาทั้งหลายด้วยสงสารมวลหมู่มนุษย์รวมพวกเราเข้าด้วยว่าบุญพามาเกิด แล้วให้พวกเราเข้าใจบุญคือความดีความดีคือบุญเห็นได้ชัดคือบุญพาพวกเรามาเกิดบุญพามาเกิดแล้วก็ บ, บุญคุ้มครองบุญปกป้องบุญรักษาจีวันจีเดือนจีปีมาแล้วเนี่ยฮะชีวิตความเป็นอยู่ของแต่และคน นี่ล่ะคําว่าบุญมีไม้บินบุญมีไม่อย่าไปงสงสัยเลยตัวของเรานี่ล่ะบุญพามาเกิดถ้าบาปพาเกิดทีเนี้ยมันจะไม่เป็นมนุษย์สัตว์เดรัจฉานทุกประเภทในน้ํามากขนาดไหนเอาอสัตว์เดรัจฉานบนบกมากขนาดไหน หลวงปู่จะปลุกความสำนึกถามจิตใจความสำนึกพี่น้องญาติยอมพี่น้องลูกหลานพวกเราอยากจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานในน้าบนบกใครอยากจะไปเกิดเอาฮใครอยากจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานฮ เชื่อเถอะคำสอนพระพุทธเจ้านอกจากสัตว์เดรัจฉานหลักคำที่พวกเราได้ศึกษาพ อ, อจำได้ไหมด้วยว่าอบายภูมสี่ฮพระพุทธเจ้าสอนว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเป็นสิ่งที่มนุษย์คนเราไม่ควรจะไปเกิด เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดอับบายะพมเสนะมีอะไรบ้างอบบายะพมเสนึกไดไหมอลองทบทวนถ้าลูกปู่จาไม่เลืมนะเพื่อจะปลุกความสำนึกพี่นองญาติโยมลูกหลานอบายะพมเสนงเดลฉานโนสัตว์เดลฉานในนามบนบกใครอยากจะไปเกิดเป็นสัตว์เดลฉานอย่างที่ว่านเอา ใครอยากจะไปเกิดหนักเข้าไปกว่านั้นอันที่สองเปตโตเป็นเปรตป๊าโตพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานอันที่สามอจุลกาโย ο, เป็นผีอันที่สี่เนธิโกเป็นสัตว์นรกทุ ทุกเหมือนเปรตทุกเหมือนผีทกเหมือนสัตว์นรกสิ่งที่เป็นทกเหมือนเปดเหมือนผีเหมือนสัตว์นรกเนี่ยอย่าไปดูที่อื่นนะฟังแล้วโอบในโกน้อมเข้ามาดูที่ใจพวกเรานั่งอยู่นี่หรือไม่ได้นั่งอยู่นี่มนุษย์คนเราความทกทางใจปัญหาทางใจ มีด้วยกันทุกคนแต่จะมีมากหรือมีน้อยมันต่างกันตรงนั้นถ้าเผื่อพวกเราอยู่ในความชิดเหงที่ดีที่ถูกเรียกว่าสัมมาทิฏฐิถึงจะมีความทุกข์ทางใจมันก็ไม่มากถ้าไม่ได้กถึงความเป็นธรรมาชาติ อาศัยแต่ด้านวัตถุชื่อเสียงเกียรติยศศักดิ์ศรีความดีพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานเหมือนอย่างที่พวกเราเรา ร, ร, รู้เห็นเห็นกันว่าใจมีความทุกข์ภาษาแบบไทยๆว่าเครียดหมายถึงไะไรหมายถึงไ ร, งไรเครียดฟังเถอะ ฟังรู้แล้วหลักคำสอนพระพุทธเจ้าสอนหลักการที่พวกเราควรจะเรียนรู้ควรจะเข้าใจแนวทางปฏิบัติอันดับแรกทานศสียนสมาธิปัญญาเข้าใจความหมายไหม อันดับแรกเรียกว่าทานไม่ใช่เฉพาะทาบุญทำทานใส่บาตรจังหันถวายทาบุญนั่นนี่ น, น, น, นี่ไม่ได้หมายถึงตรงนี้อย่างเดียวนะสิ่งที่หลวงปู่กำลังย้ำอยู่เดียเ๋ยวนียอยากจะปลุกความสำเนึกให้พี่น้องญาติยอมชาวพุทธลูกหลานชาวพุทธสิ่งที่ ให้เข้าใจความหมายว่าทานคือจาคะเสียสละอันนั้นคือความทุกข์ทางใจเข้าใจไหมความทุกข์ทางใจใจเป็นทุกข์ใจมีอารมณ์ความเครียดถ้ารู้ตัวลักษณะเนี่ยจาคาให้เสียสละเลย ละเลยปล่อยเลยวางเลยพวกเราเลยเข้าใจตรงนี้มากน้อยขนาดไหนเอาฮถ้าอารมณ์ที่มันไม่ดีเกิดขึ้นให้จ้าขะาเสียตรามีเตติมีปัญญารู้ตัวจ่าขะเสียสระปล่อยวางเลยความหมายนะ่ะ ถ้าเผื่อไม่เข้าใจความหมายลักษณะเนี่ฟังเธอรู้ในขณะนี่พิจารณาเห็นตามความเป็งจริงแล้วนำไปใช้เถอะคาเทศคำสอนของหลวงปู่หลวงปู่อราธนาเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาอธิบายให้ฟังนะไม่ใช่เป็นแนวเช็ดของหลวงปู่อย่างเดียวคำสอนของพระพุทธเจ้าเอามาอธิบายให้พวกเราฟัง ถ้ามีอารมณ์ความทุกภาษาชาวบ้านเราอะไรเครียดทุกใจนี่แหละอารมณ์ความเป็นพิษเกิดจากอารมณ์ของกิเลสกิเลสที่มีในใจพวกเราลูกหลานชาวพุทธมีอะไรบ้างคำว่ากิเลสฮะ มีอะไรบ้างนึกได้ไหมถ้านึกไม่ได้ตอบหลวงปู่ยากเอาหลวงปู่จะที่บาให้ฟังทบทวนใหม่คำว่ากิเลสกิเลสกิเลสเป็นเหตุที่เกิดทุกข์อันนั้นคืออารมณ์ของความโกรธอารมณ์ของความโลภอารมณ์ของความหลงหรือว่าโกรธโลภหลง มันอยู่ที่ไหนเนี่ยฮบ้านใหญ่ขนาดไหนก็เถอะจิเรธโลภโกรธหลงตัณหาทั้งหลายเนี่ยมันไม่ได้ไปอยู่ห้องอื่นห้องใหญ่ขนาดไหนหลายห้องขนาดไหนจิเรธโลภโกรธหลงตัณหาเนี่ยมันไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นมันอยู่ที่ไหน อยู่ที่ใจจริงไหมตรงนี้พี่น้องญาติโยมจริงไหมเมื่ออารมณ์ประเภทนี้เกิดขึ้นมันมีความสุขหรือมีความทุกข์ตรงนี้นี่เองพระพุทธเจ้าเมตตาสงสารให้รู้ตัวตื่นตัวรู้ตัวอารมณ์ของกิเลสโลภโกรหลงเกิดขึ้นเนี่ย พระพุทธเจ้ายังสอนว่าให้รู้ตัวและใครรู้ลักษณะจิริยามันเกิดขึ้นจาคะที่เนี่ยเสียสละละปล่อยวางเข้าใจความหมายไหมตรงนี้ละปล่อยวางเสียสละละปล่อยวางจาระเสียสละ เมื่อปล่อยอารมณ์ของใจออกจากอารมณ์ของกิเลสให้มาอยู่ในลักษณะอารมณ์อะไรทีเนียวให้มาอยู่ในลักษณะของศสียสมาธิสติปัญญาหรือลักษณะของบุญ ใจเป็นบุญใจมีบุญใจมีบุญก็คือใจมีความสุขความสบายสดซึ้นแจม่มใสจิตใจดีงามจากนั้นพนี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานคุณดรธนานนท์ตาจูพร้อมครอบครัวของท่าน นึกถึงการเวลาที่จะทําบุญก็เพื่อสร้างใจของตัวเองเนี่ยให้มีความสบายให้มีความสุขให้มีความสบายทุกกายสบายใจนี่ยนะพวกเราทุกคนก็ต้องการอย่างนี้ไม่ใช่เลยและแต่นั้นนะความถูกความสบายตรงเนี่ย พวกเราเป็นชาวโพธให้เปลี่ยนอารมณ์ของกิเลสออกจากใจให้ใจของเราอยู่ในอารมณ์ของเสินทีเนี่ยเสินทางภาคปฏิบัติเสินคือความเรียบร้อยอารมณ์ดีอารมณ์เรียบร้อยทำยังไง เรียนรู้เดี๋ยวนี้ทาเดี๋ยวนี้เลยอารมณ์เรียบร้อยอารมณ์ดีอารมณ์เรียบร้อยใจดีใจงามใจมีอารมณ์ดีอารมณ์เรียบร้อยสดชืนเรื่นเริงแจ่มใสจิตใจดีจงามอันนี้ต่างหากนะศิลคือความเรียบร้อยหมายถึงอารมณ์อันดับแรก อารมณ์ดีอารมณ์เรียบร้อยสดชื่นลื่นเริงแจ่มใสจิตใจดีงามมันเป็นกฎธรรมชาติความเรียบร้อยมีที่ไหนมันก็จะเกิดความงามขึ้นตรงนั้นเดี๋ยวนี้ถ้าพวกเราเรียนรู้ตามคำสอนพระพุทธเจ้าควรจะให้ของเราเนี่ยมีอารมณ์ดีใจของพวกเราจะงาม ใจดีใจงามมันสัญชาตญาณต้องการลักษณะนี้อยู่แล้วนะเห็นได้ยังไงเอาว่าใจใจต้องการความดีความงามแต่งความงามให้ใจแต่งความงามให้ตัวเองพวกเราแต่งทุกวันไม่ใช่เหรออันนั้นน่ะ <c oughs> ยกตัวอย่าง ยกตัวอย่างให้พวกเราเข้าใจคือการแต่งตัวและกระส่องกระจกเงาฮ้ยซองกระจกเงาทําไมฮ้ยซองกระจกเงาทําไมเพื่อจะได้รู้ตัวว่าเออการแต่งตัวหน้าตาของตัวเองสัญชาตญาณจิตใจเมื่อจะรู้ตัวเห็นตัวเห็นหน้าเห็ตาตัวเองนะั่นน่ะมันตจงยิ้มออกมา ใช่หรือเปล่าฮะต้องยิ้มภายในใจทำใจให้ดีทำใจให้มีอารมณ์ดีอารมณ์เรียบร้อยสดชื่นแจ่มใส จ, จิตใจดีงามถึงจะปรากฏความงามเกิดขึ้นจากหน้าจากตาจากกิริยามรยาที่คือสัญชา ต, ตยานรู้ตัวลักษณะเนี่ย เป็นความรู้ที่ดีเป็นความรู้ที่ถูกเดี๋ยวสัมมาทิฏฐิถ้าไปถ้าไม่รู้จากลักษณะเนี่ยปล่อยจิตใจให้ไปตามอารมณ์ของกิเลสอารมณ์ของตัณหาทางที่ผิดปด๊าดูพี่น้องญาติยมพี่น้องลูกหลานลุงปู่ไม่อยากจะพูดด้วยนะมองดูหนะ้า ก็ไม่อยากจะมองดูหน้าใครเลยหน้าบูด ห, ห, หน้าเบึ้งหน้าบูดหน้าเบี้ยวอารมณ์ของกิเลสตัณหาโมโหโทโสใช่ไม่ใช่อารมณ์ของศีลของธรรมฟังเถอะพี่น้องญาติโยมฟังเทศฟังเทศฟังเท ศ, เทศความหมายคือฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า หลวงปู่อรัตนาเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์เทศสอนบรรดาเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายให้บรรดาเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายรู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวเออพวกเธอมาเกิดเป็นเทบุตรเทวดาสวรรค์ชั้นฟ้าสวยงามเหมือนเทบุตรเทวดามาเกิดได้ลักษณะนี่ เป็นเพราะ อ, อ่านในสงของบุญบุญพามาเกิดความหมายนะพระ อ, องค์เทศสอนบรรดาเ ท, เทวดาให้ทุญเทุตรเทวดารู้ตัวว่าบุญพามาเกิดบุญมากจึงเกิดเป็นเทเทวดาเป็นไปได้จริงไหมตรงเนี้ย หรือใครสงสัยมีจริงหรือเปล่าเทบุตรเ ท, ทวดาสวรรค์ชันนันจันนี้เป็นไปได้จริงมีจริงหรือเปล่าเอาดูเดี๋ยวนี้ให้เห็นเดี๋ยวนี้เลยเห็นได้ยังไงที่จิตใจจะเป็นเทบุตรเ ท, ทวดานั่นคือจิตใจธรรมชาติของจิตใจพระพุทธเจ้าสอนว่าใจนี่แก่ไม่เป็นจริงไหมตรงเนี้ยเฮ้ ใจแแจไม่เป็นจริงไหมตรงนี้ฮะแจไม่เป็นแล้วก็ใจนี่ก็ตายไม่เป็นอีกพวกเราได้พิจารณาไหมาตรงนี้ใจแจไม่เป็นแล้วก็ตายไม่เป็นที่แจไม่เป็นนี่ละมันก็สวยงามอยู่งัน มันไม่แจ่ น, นะไห้เหมือนคนอาอยุเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบนะความไม่แจ่พวกเราเคยได้ยินคำว่ากายทิพย์เคยได้ยินไหมตรงนี้ถ้าใครยังไม่ได้ยินฟังเถอะหลวงปู่จะอธิบายปลุกความํำเนึกพี่น้องญาโยมลูกหลาน เขาว่ากายเทิพกายเทิพย์รูปทิพกายเทิพมันมีจริงหรือเปล่าเอาฟังเถอะให้มันรู้ตามความมีจริงเถอะจกจะฟังต่อไหมลุงปู่จะอธิบายให้ฟังเน้อลุองปู่ให้หยุดเรื่องกายเทิพไม่อยากจะไม่อยากจะฟังเรื่องกายเทิพยอยากจะฟังต่อไหมเขาบอกกายเทิพยเป็นยังไงฮะ เอาอย่างนี้ก็แล้วกันอยากจะฟังต่อเอาอย่างนี้ก็แล้วกันพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานพวกเราเคยนอนฝันไหมเคยนอนฝันไหมนันด่ากายทิพย์เห็นไหมรู้ไหมกายทิพย์รูปร่างกายตัวเองมันนอนอยู่ที่นอน ในขณะที่ฝันนั่นนะ่ะไม่ได้อยู่ที่นอนนะจริงหรือเปล่าในขณะที่ฝันมันไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่นอนมันอยู่กับการกับงานกับหมู่กับเพื่อนคุยกันอยู่งานนะ่ะรู้ตัวส่วนร่างกายตัวเองมันนอนอยู่ที่นอนส่วนใจเป็นรูปเทพิพกายเทิพนี่ยนนะ่ะที่มันมีอยู่ในร่างกายเนะี่ย ร่างกายเลยว่ารูปสมบัติส่วนใจนั่นน่ะมันเป็นอีกลักษณะหนึ่งเดี๋ยวมันนามธรรมมโนสมบัติมโนแปลว่าใจรูปร่างกายแปลวรูปสมบัติจิตใจล่มะมโนสมบัติจิตใจเนี่ย ไม่เป็นรูปเป็นล่างไม่มีไม่แสดงความเป็นตัวเป็นตนนะมองไม่เห็นเลยในร่างกายของเราเนี่ยหรือใครมองเห็นใจตัวเองเอาฮใจตัวเองมองเห็นเป็นยังไงเดี๋ยวเนี่ยความจริงแล้วไม่ปิดเป็นไม่เป็นรูปเป็นล่างเพียงนามธรรมมีแต่ความรู้สึกความรู้สึกไม่เป็นรูปเป็นล่าง ถึงจะไม่เป็นโลคเป็นล่าง <c oughs> จิตใจตัวเนี้ยมันรวมผลการทำเหมือนระบบคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ไว้เจ็บข้อมูลอย่างน้อยๆใจของเราละเอียต ก, กว่าคอมพิวเตอร์ผลการกระทำจะทำดีทา ชั่วทำบุญทำบาปมันไปรวมอยู่ที่ใจฉะนั้นการทำบุญอยู่ในลักษณะของศีลของธรรมบุญส่วนนี้มันไปอยู่ที่ใจใจมีความสำนึกมีความรู้สึกคืออารมณ์แสดงออกศีลคือความเรียบร้อยหมายถึงอารมณ์ของใจอารมณ์อยู่ในลักษณะของศีลศีลคือความเรียบร้อย ปีนออป่นองญาติโยมพี่นองลูกหลานรู้ตัวเถอะเมื่อรู้ตัวแล้วออใจเนี่ยอง์ลงปู่ไทยเอาคําสอนพระพุทธเจ้ามาเทศประสอนโปร่ความจาเนืกก้อการรู้ตัวว่าคําสอนพระพุทธเจ้าสอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายให้รู้เรื่องของใจใจนี่แจกไม่เป็นแล้วก็ตายไม่เป็น คนนั่นตายคนนี้ตายที่พวกเราลููๆนะความจริงใจไม่ได้ตายใจมันทนทุกข์ไม่ไหวมันก็ออกหนีจากร่างร่างกายเป็นทุกข์กันนะเมื่อใจออกหนีจากร่างกายไปที่เนี้ยจะให้อะไรพาใจไปฮะจะให้บุญหรือให้บาปฮะ เอาอยัางไงพวกเราหรือตายแล้วแล้วไปบุญไม่มีบาปไม่มีชาติหน้าไม่มีใครสอนเรื่องนี้ใครบอกเชื่อเถอะคำสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสจะรู้ตรัสจะรู้ก็รู้เรื่องนี้แล้วเมื่อรู้เรื่องนี้ พี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานพวกเราเป็นลูกหลานชาวพุทธ <c oughs> โชคดีมหาศาลเลยทำไมจะว่าโชคดีพวกเราเกิดขึ้นมาบุญพามาเกิดนะบุญพามาเกิดแล้วก็ พ่อเป็นพ่อเป็นแม่ปู่ย่าตายายลงป่านอากราแสนรั ก, รรกคุ้มครองปกป้องรักษาบุญความดีพระคุณของพ่อแม่ปู่ย่าตายายพระคุณของบุญกุศลที่พวกเราได้สร้างแล้วมันรวมอยู่ที่ใจเราเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์บุญพามาเกิด แล้วบุญคุ้มครองบุญปกป้องบุญรักษาภากันเกิดมาแต่ละคนแต่ละคนน่ะจีวันจีเดือนจีปีมาแล้วเนี่ยฮะจีวันจีเดือนจีปีมาแล้วนี่ย่เห็นเห็นไหมว่าบุญคุ้มครองบุญปกป้องบุญรักษาจะคุ้มครองปกป้องรักษาลักษณะนี้ไปจีวันจีเดือนจีปีข้างหน้าอันนี้พวกเราคิดไม่ได้นึกไม่ได้ถึงจะนึกจะคิดไม่ได้ ต้องแน่นอนมันจะมีการพัดภาคจากสมบัติรูปสมบัติวัตถุสมบัติหรือใครต่อใครเหมือนอย่างที่พวกเราดูรู้ที่ผ่านมานั่นแหะเรื่องของเราก็แบบเดียวกันต่อไปข้างหน้าถ้ามันถึงจุดนั้นตรงนั้นอะ่ะอย่าให้เสียใจให้มีบุญ มีความดีพาจิตใจไปดีที่สุดอย่าให้บาป พ, พาไปตัวนี้หลวงปู่ขออย่าให้บาปอย่าให้บาป พ, พาไปนี่การทำบุญโดยเฉพาะท่านเจ้าพาพวันนี้การทำบุญก็เพื่อรวมความเป็นบุญนะเนี่ยให้ อยู่จิตใจของตัวเองจิตใจมีบุญเป็นเครื่องแต่งใจมีบุญเป็นเครื่องรักษารักษาชีวิตรักษาความเป็นสมบัติใจมีบุญเป็นเครื่องแต่งบุญเป็นเครื่องแต่งใจกระเหมือนพวกเราแต่งตัวนั่นเองเข้าใจไหม เอามองดูเวลากาให้องเอ่นประเทศแทนแทนต่อหลวงปู่หลวงปู่ใช้เสียงนานๆน <c oughs> ก็เหนื่อยนะสรุปใจความตรงนี้พี่น้องญาติยอมพี่น้องลูกหลานมั่นใจเถอะเชื่อเถอะว่าบุญพาพวกเรามาเกิด บุญพาเกิดและก็บุญคุ้มครองบุญปกป้องบุญรักษาชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราเนี่ยให้ทำความดีในผลของความดีมันจะคุ้มครองปกป้องรักษาที่ใจของเราเพราะใจของพวกเราแก่ไม่เป็นแล้วก็ตายไม่เป็นเชื่อเถอะตรงเนี้ยนิาการเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ พระพุทธเจ้าจึงสอนว่าโชคดีที่สุดเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วยังไม่แล้วมาเจอมาเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกมาได้ยินได้ฟังมาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาทานเอาศีลเอาจติตปัญญามาเป็นเครื่อง ประดับใจมาเป็นเครื่องแต่งใจให้ใจของเราอยู่ในฐานะของความเป็นสมบัติยกฐานะของความเป็นสมบัติออกจากมนุษย์สมบัติเป็นเถบุตรเทวดาสวรรค์สมบัติพี่นองญาติโยมพี่นองลูกหลานไม่ใช่เพียงแค่สวรรค์สมบัตินะพระพุทธเจ้าตรัสแต่ลูลโนั่นนะสมบูรณ์ที่สุดในความสุขคือน นิพพานสมบัติฉะนั้นที่พวกเราได้ยินได้ฟังมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติทุกองทุกคนเชื่อเถอะอย่าต้องใสยเถอะเนี่ยบุญพาพวกเรามาเกิดบุญคุ้มครองบุญปกป้องบุญรักษาทำบุญต่อไปเถอะ อย่างน้อยๆก็จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์มนุษย์สมบัติถ้ามากขึ้นไปกว่านี้สวัรค์สมบัติผู้ชายเป็นเทวบุตรผู้หญิงเป็นเทวดาสวยงามเหมือนเทว ด, เทวดาเข้าใจไหมเมื่อเข้าใจแล้วเอาเพียงแค่นี้วันนี้เอาเพียงแค่นี้ก่อนนะท้ายเที่สสด <c oughs> อาตมาขออัญเชิญเอาคุณพระตรีรัตนา์ใายคือพุทธรัตนธรรมรัตนสังขารัตนจงมาเป็นเครื่องคุ้มครองปกป้องพี่น้องญาติโยมลูกหลานในพ้นจากทุกโศกโรคภัยปลาตรณาสิ่งใดสิ่งนั้นไม่เหลือวิสัยขอให้พวกเราทุกคนจงสมควรมปลาตรณาโดยทัอวหน้ากันทุกคนทุกคนเธอ